เกิดขึ้นเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นรินกระทบรสกายใจสัมผัสถูกต้องแล้วขันห้าเกิดแต่การที่ขันห้ามันเกิดนั่นนะ่ะมันต้องมีพบมีภูมิของมันพบภูมิอะไรพบภูมิในขณะนั้นการเกิดขันห้ามันจะต้องเกิดในพบภูมิเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันวั น, วนหนึ่ง เราเป็นสัตว์โลกกี่ชนิดใช่หรือเปล่านี่ไงวัตตสงสารในปัจจุบันสันทิทฐิโกในปัจจุบันนี้วัตตสงสารในปัจจุบันวันวันหนึ่งเราเป็นสัตว์โลกไม่รู้กี่ชนิด ถามว่าผู้เจ้าตรัสไว้ที่ไหนมีมีที่มาผู้เจ้าตรัสตรรองไว้มีหลักฐานที่มาเอาไว้พูดพร้อมกับไอชาติเมื่อกี้ที่แล้วว่าผู้เจ้าตรัสไว้ที่ไหนอย่างไรนี่ไงความเป็นจริงของชีวิต พระรู้เจ้าสอนธรรมะความเป็นจริงของชีวิตเพื่อให้เราได้ได้นำมาคิดนำมาพิจารณานะใช่ไหมนี่เป็นความจริงใช่ไหมเป็นความจริงเป็นความเป็นจริงแท้วันๆหนึ่งเราไม่รู้เราเป็นสัตว์โลกอะไรบ้างแล้วพระรู้เจ้าตรัสต่อไปอีกนิดหนึ่งว่า ถ้าในปัจจุบันนี้ถ้าในชาติปัจจุบันนี้เราเป็นสัตว์โลกอะไรพวกนี้มากที่สุดเป็นที่หวังได้ว่าเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์โลกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยอะไรตัวเราเนี่ยนะเรารู้เองว่าเราขณะนี้เราเป็นสัตว์โลกชนิดไหนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าชาติหน้า เราตายไปจากชาตินี้เราจะไปเกิดเป็นอะไรจะไปเกิดเป็นอ น, นั้นที่มันเป็นในชาตินี้มากที่สุดไม่ได้พูดให้กลัวนะผู้เจ้าตัดไว้อย่างนี้นะเห็นไหมนี่เราควรจะมารู้ความจริงของชีวิตแล้ว ถาว่าพุทธศาสนาสอนเราให้เราข่ำคลึเลยสอนให้เราโง่หลงงมงายเลยนี่ไงพุทธศาสนาที่แท้จริงส่วนพวกที่ว่าไปเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาที่แท้จริงใช่ไหมถึงไปโง่หลงงม ง, งายในสั่งบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มาเหมาว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ พระเจ้าสอนอย่างนี้พระเจ้าสอนอย่างนี้ฮะเขาว่าสัตว์นั่นหมายถึงสัตว์โลกทุกชนิดเลยพูดถึงรวมด้วยเทวดาด้วยพรมด้วยเป็นสัตว์ทั้งหมดเป็นสัตว์โลกทั้งหมด เป็นสัตว์โลกทั้งหมดทั้งหลายเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดสัตว์เดราชานั น, ราชานก็คื อ, อพวกที่มันขวางโลก <c oughs> คาว่าเดราชานมันขวางโลกจะเห็นไหมว่าไอ้พวกสัตว์เนี่ยลำตัวมันขวางกับมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์เราตั้งเดราชาน ตั้งฉากับโลกใช่ไหมไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานั่น่ะลาตัวมันขวางโล ก, ก, กอืกมันก็คงจะมีบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มากมันก็ไม่มากจริงๆนันน่ะพวกสัตว์เดรัจฉานี่นะ่ะเขาถือว่าต่ํากว่าเปรตนะถือว่าต่ํากว่าเปรตเปรตยังสูงกว่า มันมนุษย์เรานี่ไงพูดตื่นตื่นตื่นจากสังสารวัติถ้าเป็นสังสารวัติข้ามภพข้ามชาติก็เรียก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นไรก็ตายชาวชาตินี้ก็จิตก็เข้าสู่แดงพระเสมเข้าสู่แดงพระนิพพานแต่ถ้าหากว่ายังต้องมีการเกิดอีกมันก็นี่แหละก็ไปเกิดเป็น เดี๋ยวก็มาเกิดเป็นร่างของในร่างของมนุษย์ในร่างของเปรตในร่างของอสุรกายในร่างของสัตว์เดรัจฉานในร่างของเทวดาในร่างของพรหมอะไรต่างๆนั่นข้ามแบบข้ามพบข้ามชาติอันนี้เป็นในชาติปัจจุบันตัวเป็นมนุษย์นี่แหละตัวเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าใจน้นขณะนั้นที่เกิดขันห้าขนาดนั้นใจที่เกิดขันห้าขนาดนั้นเพราะขันห้ามันมีเกิด เกิดดับเกิดดับดั บ, ด บ, ด บ, ดบตลอดเวลาไม่เกิดที่ขันห้าขนาดนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรผู้เบิกบานผู้เบิกบานก็คือเป็นผู้ไม่ทุกข์ในขณะนี้เพราะอะไรเพราะในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะ่ะกิเลส ท, ทุกชนิดมันดับสนิทหมดนะ่ะทั้งกิเลสอาวิชาด้วยทั้งกิเลสอื่นๆมันดับหมดนะ่ะ แล้วเมื่อกิเลสมันดับจะเอาตัณหามาจากไหนตัณหามันก็ต้องดับใช่ไหมเพราะตัณหามันมาจากกิเลสเมื่อตัณหาดับทุกมันก็ดับทีนั้นขณะนี้กิเลสทั้งหมดมันดับไม่ว่าจะเป็นอวิชชาก็ดีกิเลสอื่นๆทั้งหมดก็ดีเพราะอะไรเพราะวิขัมภนะวิขัมภนะประหารประหารได้ด้วยสมาธิ กดข่มไว้กดข่มไว้ด้วยอำนาจสมาธิกดข่มไว้ด้วยอำนาจสมาธิเห็นไหมที่ว่าอาวิชามันทำงานไม่ได้อวิช า, ามันทำงานไม่ได้มันเหมือนถูกหักแข้งหักขามันทางานไม่ได้ด้วยอานาจของสมาธิคล่ายมันอ่อนปวกเปียกไปหมดด้วยอำนาจของสมาธิมันทำงานไม่ได้เลยเมื่อมเกเมันทางานไม่ได้ก็เหมือนคล้ายๆกับว่า มันถูกประหารไปแต่ว่าประหารไว้ช่วคราวชั่วงขณะที่ยังมีสมาธิอยู่แต่พอถอนออกจากสมาธิแล้วสักระยะช่วหนึ่งก็ตามเดิมมันก็แข็งแรงขึ้นตามเดิมมันก็แข็งแรงขึ้นตามเดิมเพราะฉะนั้นณขณะนี้เองจิตของเรา เข้าสู่แดนพระนิพพานแต่เรียกว่าวิขมภนะนิพพานแต่ก็เป็นนิพพานชั่วคราวตะทางคะนิพพานตทางฆะนิพพานแปลว่านิพพานชั่วคราวแต่ก็ยังดีใช่ัหมเรายังได้สัมผัสเร า, าได้สัมผัสพระนิพพานใช่ไหม เพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าหากว่าทุกคนที่ทำให้จิตได้สงบถึงอัปปนาสมาธินี่เราได้สัมผัสพระนิพพานชั่วคราวนะได้สัมผัสพระนิพพานชั่วคราวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงแม้เพียงแค่ ช้างกระดิกหูแล้วไร ง, งูแลบลินผู้เจ้าบอกว่าถ้าเราทำจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิแม้เพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลินแม้มีแม้มีชีวิตเพียงแค่ปาตรีเดียวยังดีกว่าคนที่เกิดมามีอายุหนึ่งร้อยปี แล้วไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้เลยนี่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ใช่ไหมพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะนั้นอาตมาถึงได้บอกว่าโอ้เราทั้งหลายได้มาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราเลยเห็นไหมเราได้กระทาในสิ่งที่เป็น สาระที่เป็นแก่นสารที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเลยเห็นไหมเพียงแค่เพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลาบลิ้นเท่านั้นแม้มีชีวิตเพียงแค่ราตรีเดียวยังดีกว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วมีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่เคย ได้ปฏิบัติอย่างนี้นี่วิเศษไหมนี่ความจริงเป็นอย่างนี้นะโยมความจริงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอย่าไปเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายบางคนบกวโอ้ทํามาตั้งนานแล้วไม่เห็น ไม่เห็นมันไปแค่ไหนเลยไม่เห็นมันคืบหน้าไปแค่ไหนเลยโอ้ยหลวงปู่ท่านหลวงปู่ท่านตลอดเกือบตลอดชีวิตหลวงปูบ่บวชตั้งแต่อายุยี่สิบสองหลวงปู่มั่นกว่าจะมาสำเร็จนู่นนะอายุตัง้งเท่าไหร่หกสิบไปแล้วมัองแล้วก็ตลอดระยะเวลาหลวงปู่อยู่เต็นในป่า ขนาดอยู่แต่ในป่าของเรามันก็อยู่ป่าเหมือนกันแหละแต่ว่ามันป่าคอนกรีตเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยเลยโยมอย่าไปท้อถอยเลยใช้ความอดทนใช้ขันติ<笑><笑>พระเจ้า ยกเอาขันติธรรมะ ข, นะขันตินี่เป็นอันดับหนึ่งนะขันตินี่เป็นอันดับหนึ่งธรรมะผู้เจ้าตรัสว่าขันตินั่นแหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอย่างยิ่งขันติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันกลัวขันติ กลัวความอดทนของคนเรากิเลสมันกลัวขันติคือความอดทนของคนเรากลัวขันติกับวิริยะของเราถ้าเรามีขันติเรามีวิริยะแล้วแล้วก็กิเลสมันยอมกลัว ขันคิดว่าก็ขั้นอรหันต์สมเร็จอนาคามีที่เขาสาริกาที่น้ำตกสาริกาที่นครนายกสมเร็จอนาคามีที่นี่แล้วก็สมเร็จไปสเร็จอรหันต์ที่ภาคเหนือในปีพุทธศักราชประมาณปีสองสี่เจ็ดสิบสองที่ภาคเหนือ ประมาณสองสี่เจ็ดสองนะท่าน พ, นพูดไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าผมเคยได้ยิน ที <t Production> okay? ่มีออกอากาศเด็กลุ้ตาหาบัวไอ้เคยพูดว่าอาตมาเนี่ยขพูดเรองผมจไม่ได้เนี่ยพูดเองว่าอาตมาเนี่ยมเด็กปาแฟนผมใช่ใช่ใช่ใช่หลวงปู่หลวงปู่เพิ่งพูดเพิ่งพูดเมื่อตอนทาไอ้เรื่องของพระป่า นานาชาติไอ้พวกป่าช่วยชาตินี่เองเมื่อก่อนนี้หลวงปู่ไม่เคยพูดมาก่อนเลยทีนี้จมหลวงปู่จาเป็นต้องตัดสินใจเอาสิ่งนี้มาเสี่ยงเพราะถ้าหลวงปู่ไม่พูดอย่างนี้เราใครละเขาจะเชื่อถือที่จะทุ่มเทเงินทองมากมายถึงขนาดนั้นหลวงปู่เสี่ยงหลวงปู่รู้เหมือนกันหลวงปู่ก็เสียเส่ยงเสี่ยงเอาสิ่งนี้กัมาพูด ใช่ใช่ไม่ได้พูดตรงๆว่าไม่ได้พูดตรงๆ ท, เเ ท, ทีเดียวคือแต่แต่สิ่งนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าผู้เจ้าตรัสไว้ว่าที่ว่าที่ว่าเป็นปรารชิกเนี่ยนะคื อ, อพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไ ม, มนนไม่มีในตนห้ามพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน อุตรีมนุสธรรมแปลว่าคุณธรรมมันสูงยิ่งของมนุษย์ถ้าใครไม่มีไปพูดเข้าแล้วว่ามีอันนั้นเป็นประราชิกขาดจากความเป็นพระแต่ถ้ามีแล้วพูดได้แต่นี้ตามปกติน่นนะใครจะรู้เพราะตามปกตินั่นนะ่ะท่านก็ไม่กล้าพูดท่านจะไม่พูดหรอกว่าท่านสำเร็จเป็นอรหรันตระดับจิต ด, ด้วยกันถึงจะรู้กันได้ ระดับจิตเดียวกันถึงจะรู้กันได้สมมุติว่ากก็เป็นอรหันต์ขอก็เป็นอรหันต์ทั้งก็ทั้งขอตอนเองพูดไม่ได้แต่ก็พูดว่าขอเป็นอรหันต์ได้ขอพูดว่าก็เป็นอรหันต์ได้ไม่ผิดแต่ว่าตนเองจะไม่พูดถึงพูดก็ไม่ผิดเพราะว่าท้งมีแล้วนะี่ยท้งมีแล้วนะ่ยพูดได้ไม่ผิด แต่ว่าตามปกติท่ทานข้าระาไม่ค่อยพูดแต่ว่าในคราวนี้นะั่นลุงปู่บุมหาบูตจำเป็นต้องพูดพูดเพื่อให้มหาชนทั้งหลายได้เกิดความเชื่อมั่นว่าลุงปู่ทาด้วยความบริสุทธิ์ใจทาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำเพื่อตนเองทำเพื่อชาติแต่ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนทั้งหลายได้เกิดความเชื่อมั่น อย่างนั้นหลวงปู่จึงต้องเอาเสียงเสียงพูดหลวงปู่ก็คงจะรู้เหมือนกันว่าผู้คนทั้งหลายก็บางคนที่เขาไปตำหนิไปตีเตียงแต่อย่าลืมนะการตำหนิพระอรหันนั้นโทษร้ายแรงมาก <c oughs> อืเอ อ๋อข <ality> ึ <ute> hey, oh, ้นไปยังไงเดี๋ยวเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมนั่นได้มาอ้าวว่าไงอืมอืมคอคือคือมีคกล่าวทั้งตและทั้งกระเฉงแนการที่หลตาหา ท่านเร็แล้วแล้วก็ยังมากลับมามาเียน่ายอยู่กับไอ้ีเ็กพ่ีอยู่มีัชมนะครับอัตมาไม่มีความเห็นอะไรคื อ, อก็มีความเชื่อมั่นในหลวงปู่อยู่แล้วก็ที่การที่หลวงปู่มาช่วยชาติอย่างนี้ก็ <c oughs> เราก็จะรลืมว่าแม้แต่พระสมมาผู้เจ้าเมื่อท่านสำเร็จแล้ว ท่านก็ยังโปรดยังเมตตามหาชนทั้งหลายคือคราวนี้หลวงปู่มองเห็นแล้วว่าประเทศชาติของเรามันเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้ประเทศชาติของเราเป็นอย่างไรมันก็แย่อยู่มันก็ร่ำจมอยู่หลวงปู่ต้องการที่จะช่วยชาติในทางด้านนี้แล้วการที่หลวงปู่ช่วยนั้นก็คื อ, อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของหลวงปู่คือต้องการที่จะเอาเงินเข้าคลังหลวงแต่หลวงพูด ลุงปู่พูดพระสาษอาราชการเขาเขาไม่เป็นลุงปู่ต้องการอย่างนั้นคืนความหมายในคลังหลวงของลุงปู่นั่นแหละลุงปู่รู้ว่าคือในการที่ประเทศเราจะออกพันธบัตรได้เนี่ยมันต้องมีกองทุนที่จะค้าประกันอันนี้ใช่ไหมเป็นเงินตราต่างประเทศใช่ไหมถึงจะพิมพ์ธนบัตรออกมาได้แล้วไอ้เงินจุดนี้เนี่ยนะเริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเราเอาไปใช้ไม่ได้ฮะ ไม่รู้ก็นี่แหละเราเริ่มว่าฮะ<า>เป็นทุนของโ ค, ครงครังที่จะพินธ บ, บัตรแล้วมันต้องมีค้ำประกันใช่ใช่เองินอันนี้แหละที่ว่ามันเอาไปใช้คือเป็นเป็นการสะสมเอาไว้อ่คือไม่เอาไปใช้ตั้งสะสมมาตั้งแต่รัชกาลน ون, ู้นเห็นไหมตั้งแต่รัชกาลที่ห้าอะไรต่างต่างนูง้นใช่ใช่ใช นั่นเนี่ยคือหลวงปู่ต้องการเมตตาด้วยความเมตตาคือหลวงปู่ไม่ทำอะไรเลยขนาดนี้นะ่ะหลวงปู่สบายมากไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แหละขนาดนี้หลวงปู่สบายมากใชไ่ไหมฮะก็ อ, อย่างมั้งไม่รู้มัง้งอย่างอย่างคือท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อจะช่วยชาติเพื่อช่วยทั้งประชาชนทั้งประเทศเราคิด ในภาพรวมอย่างนั้นทั้งประเทศทำไมมันมีผลกระเทือนถึงประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมไอเรื่องของการพิมพ์พิสันนิ บ, บัตเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือด้วยเจตนาด้วยใจที่เป็นเมตตาสงสารของหลวงปู่คือตามปกตินะหลวงปู่ไม่ทําอะไรเลยเนี่น่ะคือขณะนี้ท่านก็อยู่ท่านจึงได้สบายไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่วัดไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปา ไม่เอาไม่เอามีคนที่จะเสนอเอาไฟฟ้าเข้าโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเล ย, เลยวัดไม่ต้องเสียอะไรเล ย, เลยแล้วก็ตลอดไปข้าวไฟตลอดไปมีคนออกให้ไม่เอาน้ำก็ไม่เอาใชน้ำบอกในหลวงพระชินีเสนอจะไปสร้างศาลาจะเปลี่ยนศาลาให้ใหม่เป็นศาลาไม้เป็นศาลาไ ม, าไม้พื้นไม้เสาไม้ ธรรมดานี่แหละจะเปลี่ยนสลาให้ใหม่ไม่เอามีไหมมีพระที่ไหนบ้างวัดที่ไหนบ้างที่ขนาดในหลวงเสนอแล้วไม่เอาใช่ไหมที่ในหลวงในหลวงกับพระจินีพระชินีเสนอไปก่อนเสนอก่อนไม่เอาปฏิเสธทันทีเลยไม่เอา แม้แต่ยศถานบดาศักเคยไปให้ตรงหลายทีแล้วไม่เอาเพราะมาขาวที่แล้วมเมืเอ่อข่าเขาขึ้นเป็นชั้นราษนะ่ะในหลวงไปเองในหลวงไปกราบหลวงปู่เองว่าหลวงปู่ทำโค ร, รโครงการอะไรรู้ไหมอืมโครงการอะไรโครงการ ปลูกป่าต้นน้ำลำธารแปดพัน 8, ไร่ลุง ป, ปู่ไปซื้อที่ไปซื้อที่ที่จังหวัดเลยที่น้ำหนาวแล้วก็เอาไปตั้งวัดแล้วก็เอาพระนั่นแหละไปนำปลูกป่าแปดพันไร่โครงการนี้เป็นโครงการที่ถูก <c oughs> พระจันทร์รุ่ยไทยมาก ในหลวงไปกราบหลวงปู่เองบอกว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนขอให้รับ <c oughs> นั่นแหละถึงได้ยอมรับแล้วก็มาครานี้ก็ในหลวงอีกใดคราวที่พระป่าช่วยชาติซึ่งมาแต่งตั้งโดยที่ไม่ให้หลวงปู่รู้เลย ที่เป็นชั้น ร, รมเขาที่แล้วเนี่ยที่แต่งตั้งเป็นชั้น ร, รมเขาที่แล้วนั่นเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าลุงปู่ท่านาากาน็อยากที่จะช่วยมหาชนอยากที่จะช่วยมหาชนเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าของเราก็เมื่อกัดสรู้แล้วเนี่ยที่จริงนั่นน่ะอย่างพระพุทธเจ้านั่น จะไม่สอนใช่ไหมตอนแรกจะไม่สอนอนี่แหละใช่ทีนี้ก็ด้วยความเมตตาก็าทําด้วยความสุจริตก็ทําด้วยความสุจริตทาด้วยอจิตใจที่เมตตาจริงๆเราถามไม่มีใครทําได้อืม ที่ไหนไปฟังที่ไหนอ่เออเออืมออืมอืมแล้วของลูกปู่มหาบัวหรือของใครเรื่องของท่านเองอ่านักวิชาการม วาานน่นเสมเป็นนะใชะ่แล้วก<ช>่การทุ่แต่วปฏิบัติ่ข่าวเนีย่ยถ า, ถาถามาว่าได้อภนาธรม า, รานี่แมีอะไรอ่านี้ใหต้องปฏิบัติไปเรื่อยมันจะได้ไม่เสื่อมแต่ถ้าสมมติว่าท่านไม่ปฏิบัติเร่อนก็ไม่มีอะไรเอยู่แล้วก็เป็นคนมาใช่ใช่ ปฏิบัติไปจนกระทั่งทำลายอวิชชาให้ได้นั่นไงเพราะเราไม่หยุดมาถึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะไม่ใช่หยุดอยู่แค่สมาธิเห็นไหมจะต้องก้าวขึ้นไปถึงปัญญาไปปัญญาขั้นไหนวันก่อนก่อนนี้ถึงขั้นไหนขั้นที่สี่ใช่ไหมอุททยบปัญญาปัญญาอุดทะยบปัญญา นั่นแหละเมื่อเราผ่านอุปอทิศไปบัญญามาแล้วนี่เนี่ยหมายควมวาสันตติขาดขณะนี้จิตจะรู้เห็นธรรมะมหาสารเกิดขึ้นสิบอย่างใช่ไหมนั่นน่ะธรรมัศจารย์เกิดขึ้นสิบอย่างนั่นก็หมายความว่ากิเลสบางส่วนถูกทําลายลงไปแล้วจิตแท้มันประพัดสอนขึ้นมาใช่ไหมแต่ก็ ถ้าหาว่าคนที่ไม่รู้ก็นึกว่านั่นคือบรรลุธรรมแล้วเพราะว่ามันเกิดสิ่งมหาสัจจันท ร, ร์ขึ้นใช่ไหมตั้งแต่เกิดโอภาสเกิดแสงสว่างเกิดยานาะเกิดปัสสถิเกิดปีติเกิดแรงต่างสิบอย่างนั่นคือให้รู้ว่าเป็นจิตแท้เราจับจิตแท้ได้แล้วแต่ยังเป็นจิตแท้ที่ยังมีอะไรแฝงอยู่อวิชชาแฝงอยู่ เอาจิตอันนั้นแหละเป็นเป้าหมายในการที่จะต้องกระทำมหาสติมหาปัญญาให้มันเกิดขึ้นแล้วก็โถธมกำลังเข้าไปเพื่อจะให้สบัดสลัดอวิชชาออกใช่ไหมเพื่อจะต้องให้สลัดอวิชชาออกเมื่อสลัดอวิชชาออกได้แล้วนั่นแหละมันก็จะเหลือจิตแท้ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจบ เราต้องการจิตสุดท้ายอันนั้นต้องการจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดถึงขั้นญาณญนะาณทัศนวิสุทธิวิสุทธิเจ็ดใช่ไหมวิสุทธิเจญาณญาณทัศนวิสุทธิคือจิตที่สะอาดบริสุทธิหมดจดไม่มีกิเลสอวิชชอลงเหลืออยู่เลยนั่นแหละนิพพานถาวรใช่หรือเปล่า นิพพานเาวอนขณะนี้เราสัมผัสนิพพานชั่วคราวแล้วยังรู้สึกว่าโอ้ยังรู้สึกว่ามันสุขมันเย็นมันสบายใช่ไหมนี่เป็นนิพพานชั่วคราวเพราะฉะนั้นคนที่ได้สัมผัสอรงนี้แล้วบางคนก็เลยเอาแค่นี้พอแล้วบอกแค่นี้พอแล้วแต่ว่ามันก็บอกแล้วว่านิพพานชั่วคราวมันชั่วคราวเท่านั้น ช่วขณะที่จิตเราอยู่ในอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกมาแล้วมันก็หมดกันหมดกันสมบัติอันนั้นก็หมดกันไม่เกิน <c oughs> ว่า ใช่หลวงปูม่มหาบุรุยังพูดอย่างนี้อยู่เส ม, มอยังพูดอย่างนี้อยู่ยเป็นสมบัติส่วนกลางเป็นสาธารณะไม่ใช่เป็นของคนหนึ่งคนใดไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด ก, ก็ใ น, น, <c oughs> นสมัยพ <c oughs> ุทธกาลก็ยังมีใช่ไหม ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีใช่ไหมที่สรัจเป็นอรหันต์ทั้งๆยังเป็นคาระวะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้อาตมาก็พูดตามหลวงปู่หลุยนะพูดตามหลวงปู่หลุยเพราะว่าคนในสมัยนี้มันก็ค่อนข้างจะอะไรกิเลสกิเลสนะปัญญาหยาก หลุงปู่บอกว่าถ้าศีลห้าสามารถที่จะขึ้นไปถึงพระโสดาบันกับพระสกอทาคามีศีลห้า น, นะศีลห้าพระโสดาบันกับพระสกอทาคามีถ้าใครรักษาศีลแปดสามารถขึ้นไปถึงพระอนาคามีถ้าศีลสิบขึ้นไปศีลสิบขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าถึงอรหันได้นี่หลุงปู่ลุยพูดนะ ในปัจจุบันนี้สิมนสุดแค่แค่เนีนแต่ว่าหลวงปู่มหาบัวก็ยังพูดอยู่เสมอว่าไปสามารถไปได้ก็บอกแล้วว่าถึงโสดาบันสกาธาครับ